no p r o ถ้าง่วงให้แก้ด้วยการเติมฉันทะเติมฉันทะเติมยังไงหยุดหยุดตั้งกายให้ตรงหายใจเข้าให้สุด หยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาช้าๆพร้อมกับจิตูุ้ร้ตรงเข้าไปสู่ลมที่กระทบแล้วก็เฝ้ารู้อยู่ตรงนั้นปุ๊นั่นแหละเป็นตัวเติมฉันทะคือเพิ่มความใส่ใจเข้าไปและถ้าสามารถเห็นได้ว่ามันอ่อนแอจะสามารถเติมฉันทะคือใส่เติมความใสใจเข้าไปในขณะที่รู้ลมนั่นแหละ ตอนที่ลมออกก็ได้ตอนอที่ล ม, ออกกขมเข้าก็ได้หรือขณะที่ลมมันกำลังออกก็ได้ขณะที่ลมมันกำลังเข้าก็ได้ออกมาครึ่งหนึ่งแล้วก็เติมได้ออกเข้าไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เติมได้สุดแ ต, แต่ใครสามารถเติมสันทะเข้าไปตอนไหนได้ก็เติมเข้าไปที่แน่ๆเมื่อสันทะเข้าไปแล้วมันจะแก้ความห่วงได้อืมอ้าวพร้อม รังกายให้ตรงแม้นว่านั่งเก้าอี้ก็พยายามอย่าเอาหลังไปดันพิงนะพอหลังไปดันพิงปั๊บเนี่ยการกดทับของกล้ามเนื้อมันจะทำให้เกิดเวทนาได้เร็วให้มันตั้งตรงนั่งให้ตรงมือวางซ้อนตั้งให้นิ่งหายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้ ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกและปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาช้าๆพร้อมกับจิตรู้ที่เข้าไปรู้สึกต่อลมหายใจที่กระทบกับกายประสาทลมหายใจที่กระทบกับกายประสาทอยู่บริเวณช่องจมูกที่เรารู้สึกว่าลมหายใจกระทบได้ตรงไหนเราก็รู้ลมนั้นคือรู้ลมที่กระทบนั้น เหมือนเรายืนอยู่และมีงูตัวหนึ่งเลื้อยผ่านหลังเท้าของเราเรายืนหลับตารู้สึกต่อ ง, งูตัวนั้นได้ตรงท้องของงูที่มันค่อยๆกระทบที่หลังเท้าและเลื้อยผ่านออกไปแต่เราเฝ้ารู้อยู่ตรงที่หลังเท้านั่นแหละเฉพาะตัวหนังของท้องหนังท้องของงูที่ที่มันคลูดผ่านหลังเท้าของเรา ความรู้นิ่งอยู่ตรงนั้นแ น, แน่วแน่นิ่งเหมือนลมหายใจนี้เหมือนกันที่ก็คลูดออกทางช่องจมูกเราความรู้ลมนั้นความรู้ลมที่กระทบอยู่ตรงกายประสาทที่ช่องจมูกนั่นแหละที่ก็คลูดออกไปไม่ต้องตั้งใจมากๆนะแค่ความรู้ไป มันก็นจะเกิดสภาวะหนึ่งจิตผู้รู้สองการรู้ของจิตผู้รู้และสามสิ่งที่ถูกรู้ดูสิ่งที่ถูกรู้ว่าใช่เป็นลมชนิดที่เป็นโผฏฐัพพะโผฏฐัพพารมไหมถ้าเป็นลมชนิดที่เป็นโผฏฐัพพารมอย่างนั้นแล้วเราก็เฝ้ารู้ลมนั้นแหละที่มันคลูดออกไปตามการเวลาถ้ามันคลูดออกไปนานแสดงว่าลมนั้นมันยาวแต่เราไม่ต้องไปคิดมากว่าลมนั้นมันยาวหรือสั้น แต่ข้ารู้ลมที่มันคู่ตกไปตั้งแต่น่วงตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจออกความรู้ตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ในชีวิตเราตอนนี้ไม่มีชื่อไม่มีสกุล ไม่มีประวัติศาสตร์ของชีวิตไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีแค่รูปกับนามคือกายกับใจที่ตั้งนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ยกจิตผู้รู้เข้าไปเพื่อรู้ลมหายใจลมหายใจที่ขึรนก้าวขึ้นดอกก็เป็นรูปตัวรู้นั้นที่รู้ลมหายใจนั้นก็เป็นนามไม่มีอะไรอื่นเลยมีแค่รูปกับนามอาดีตไม่มีอนาคตไม่มีข้ารู้อยู่ที่ปัจจุบันขณะ จิตผู้รู้เข้ า, ขารู้สู่ลมที่กระทบลมที่กระทบกับจิตผู้รู้ที่ทรงตัวอยู่ในแต่ละขณะขณะนั้นแหละเป็นปัจจุบันแท้ให้ตามรู้สภาวะอันเป็นปัจจุบันอยู่ในขณะในขณะนั้นนั้อย่างแน่วแน่ต่อเนื่องก็จะตกเป็นความตั้งมั่นขึ้นมาหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ ถ้าจิตผู้รู้ก็สามารถเห็นได้ว่าตอนนี้มันมีความห่วงเกิดขึ้นให้ตั้งกายให้ตรงทันทีถ้าตั้งกายให้ตรงเห็นความห่วงนั้นหายไปก็รู้ว่าความห่วงนั้นหายไปแล้วก็รู้ลมต่อไปถ้าจิตรู้ก็สามารถสัมผัสรู้ได้ว่ามีความห่วงเกิดขึ้นตั้งกายให้ตรงความห่วงนั้นหายไปก็รู้ว่าความห่วงนั้นดับไปแล้วก็รู้ลมต่อไป ไม่ต้องตั้งใจจนกระทั่งมันแรง่งทำตัวรู้วางอยู่บนทำตัวรู้ให้เข้าเข้าไปรู้ในสิ่งที่ถูกรู้คือลมหายใจนั้นลักษณะตัวรู้ที่เข้าไปรู้ลมนั้นรู้แบบยิ้มๆสบายๆไม่มีเวลา ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีแต่ปัจจุบันขณะที่เข้ารู้ลมออกก็รู้ลมเข้าก็รู้ ปวดเมื่อยเหน็บชาทำหน้าที่แค่รู้พอไม่ต้องไปตกเป็นาธาตุมันไม่ต้องไปปรุงแต่งมันแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องไปแข็งใจสู้กับมันแต่ทำตัวรู้ให้รู้ว่าความปวดเกิดขึ้นที่ข้อซ้ายหรือที่ข้อขวาวางความปวดนั้นไว้ตรงที่มันเกิดนั่นแหละแล้วยกจิตู้ร้เข้ามาสู่ลมหายใจถ้าเขาจิตู้ร้ขึ้นมาจาก ความปวดนั่นได้มาสู่ลมหายใจได้ให้นั่นเป็นขันติเป็นขันติทางใจที่จะเป็นบารมีให้กับจิต พอ ต, ตัวรู้มันแผ่วเติมฉันทะเข้าไปนะเพิ่มความใสใจเข้าไป มันว่วงมากก็ตั้งกายให้ตรงอย่าไปยอมมันตั้งกายให้ตรงเติมเส ร, รมิมเติมสันทะเข้าไปสร้างความใส่ใจเข้าไป เมตัวยกจิตปุรู้เข้าสูดปลายนิ้วมือฝ่านะขยับปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้รู้สึกค่อยๆยกมือฝ่าขึ้นช้าๆไปวางไว้ที่ข่าข้างขวาให้จิตรู้สึกยกจิตปุรู้มามือข้างซ้ายขยับปลายนิ้วมือซ้ายให้จิตรู้สึกค่อยๆยกมือซ้ายไปวางไว้ที่ข่าข้างซ้าย เราน้อมจิตผู้รู้เข้ามาอยู่เฉพาะหน้าของตนประหกหน้านิดหนึ่งแล้วก็ลืมตาอกจักสมาธมมิใครมีคำถามอะไรก็ถามได้ ที่ที่เราให้มีนิมิตเนี่ยจริงๆอะ่ะการรู้ลมเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปปักอยู่กับลมหายใจไม่ได้ไปปักอยู่กับลมหายใจถ้าเราไปปักอยู่กับลมหายใจเวลาเราตายเราก็ไม่มีที่อยู่ดิถูกว่าที่ไม่ให้ปักอยู่กับลมหายใจแต่รู้ลม แต่ทีนี้เรายังไม่ตายเราก็อาศัยลมหายใจเนี่ยเริ่มต้นเราเร า, เรากำหนดรู้ก่อนแต่พอตัวรู้เขาสามารถรู้ลมหายใจชนิดที่เป็นธรรมชาติได้แล้วนี่ลูกสังเกตว่าเรารู้ลมหายใจเนี่แค่เกาะเกาะแค่เกาะเกาะลม้มลวม ร, รู้อาการรู้จะไปแตะลมหายใจเบาๆเกาะเกาะไว้เก่อเกาะไว้ไม่ให้มันหลุดให้ไม่ให้สมาธิให้จิตรู้มันล่วงลงไปแค่นั้นเองนอกเหนือจากนั้นก็ทําหน้าที่ ลึกๆ ก, กันไปก็ทําหน้าที่ใส่ใจศึกษาสภาวะอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจิตโดยเฉพาะสภาวะที่เป็นลมหยุดเมื่อมีตัวรู้เขามีสติมีสัมปชัญญะบริบูรณ์ทั้งสีฐานแล้วเนี่ยลมหายใจจะมาหรือไม่มาไม่ไม่ใช่ประเด็นแต่เมื่อมารู้เมื่อมีลมหายใจปับรู้หายใจออกหายใจเข้ารู้แต่มาหรือไม่มา ไม่ใช่ประเด็นของจิตผู้รู้มันก็เลยทำให้เวลาเราจะตายมันเลยไม่ไปกังวลเศ้าหมองกับลมหายใจที่มันไม่มาตัวผู้รู้ก็ยังเด่นอยู่ตัวผู้รู้ก็ยังเด่นอยู่วันขั้นที่สามขั้นที่สี่ก็จึงสามารถที่จะมีสติดวงรู้ดวงเด่นนี้จะยังคงอยู่ได้ แม้ไม่มีลมหายใจพระพุทธเจ้าตรัสถึงว่าดัษย์ยิเบอิยะวาสสาทําเป็นเครื่องอยู่ของผู้ซึ่งอยู่ในเส้นทางนี้สิบประการหนึ่งปัญจังขวิปปญีนตามีนิวรณ์อันมีองค์ห้าสหบราบคาบได้ปัญจังขวิปปญีนตา สลังคะสมมาคตามีอุเบกขาหกอย่างเกิดขึ้นสลังคะสมมาคตามีองค์อุเบกขาหกอย่างถึงพร้อมหกอย่างคือวางเฉยได้ทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจต่อสิ่งที่กระทบสามารถวางเฉยได้สตารัตตาจิตตตามีสติ มีจิตเป็นมีมีจิ ต, ม, จตมีสติเป็นเครื่องรักษาคือสติที่ฝึกฝนอบรมมาจะตั้งมั่นที่จิตจะตุราปัเสนตามีทมเป็นเครื่องอิงอาศัยสี่ประการคือโลกใบนี้ทั้งใบอ่ะจะเห็นเลยดูชีวิตพระโลกใบนี้ทั้งใบ แม้มีทรัพย์สินสมบัติอุปนิสัยปัจจัยต่างๆเยอะมากแต่เมื่อเมื่อถึงถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยมีสี่อย่างเท่านั้นจตุราปรเสนตาจัดสาหรับเป็นที่อิงอาศัยของรูปของนามคืออาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเครื่องอิงอาศัยของรูปนามนี้มีเท่านี้ แต่เรามันมากเครื่องอิงใช่ป่ะเครื่องอิงของเรามันเยอะมากเราเดือดร้อนเพราะเครื่องอิงเยอะมากเลยแต่เครื่องอิงอาศัยจริงๆมันเป็นเหมือนเครื่องพนักพิงสำหรับให้มีชีวิตประคองก็อยู่เนี่ยจตุราปรเสสนาตาก็ต่อมาบอกว่าปานุณนนปัจเจกสัจจตาเป็นผู้มี การแสวงหาอ l l a h ได้แล้วพอมันมีเครื่องเครื่องอิงอาศัยที่ชัดเจนการแสวงหาต่างๆมันก็ระหับตัวมันลงไปแต่ถามว่ายังทำงานไหมโอ้ยต้องต้องทำยิ่งทาเยอะด้วยยิ่งยิ่งมีตัวพนักพิงน้อยตัวแสวงหาน้อยแต่การทํางานเยอะแสดงว่าผลที่มันเกิด จะก่อให้เกิดประโยชน์เยอะมากปัญุณปเจกสัจตาจากนั้นก็มีอนาวิระสังกัปปตาอัลละมะวะยะสัทเทสัทเทนตาเป็นผู้มีทิฏฐิอัลละได้แล้วไอความเห็นที่เอาแต่ใจแต่ก็เข้าใจว่าอันนั้นเป็นตัวเป็นตนตนั้นนั่นของฉันนั้นนั่นของฉันนั้นนั่นตัวเราไอ น, นี่ของเรา นอกเหนือในต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันวางใจได้วางความเห็นพวกนี้ได้ไม่ยึดถือมากถ้ายึดถือมากมันก็นำเข้าไปสู่ความเป็นตัวตนเข้าไปสู่ความขัดแย้งเพราะมันจะเป็นทุกข์กับการที่สิ่งนั้นนั้นแปลปวนเปลี่ยนแปลงอนาวิละสังกัปปตามีความดำริอันไม่ขุนมัวความดำริหรือความคิดริเริ่มความตึก มันจะเน้นไปที่ตึกในธรรมตามธรรมชาติการที่เรารู้ลมหายใจจนกายมันระรับกายวิเวกทิ้งกายได้ตัวความคิดหรือตัวตึกมันจะตึกเข้าไปอย่างเป็นธรรมตึกเข้าไปสู่ธรรมสิ่งที่มันตึกตึกตึกตึกลงไปจะไม่ตึกไปในอำนาจของอกุศลแต่มันจะตรึกลงไปอย่างเป็นธรรม นั่นคือฐานของสัมของมัดข้อที่สองเรียกว่าสัมมาสังกัปปะมันฝึกตัวนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอเดินๆปั๊เกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยตัวตึกตัวตึกตึกตึกนั้นอ่ะมันจะตึกอย่างเป็นธรรมมันจะไม่ตึกไปในทางหดหูห่อเหี่ยวมันจะไม่ตึกไปในทางที่เป็นอกุศลครใดที่มันตึกอกุศลตึกสิ่งที่หดหูห่อเหี่ยวครานั้นแสดงว่าตัวสติมันบุกร่อง ตัวนี้เจ้าตัวเรียกว่าอนาวิลสังกัปตาคือมีความจำารีอันไม่ขุนมัวด้วยอำนาจของอากุศลที่นี่ปัสสะกายสังขารตาคือมีกายสังขารอันระหบเนี่ยข้อ น, นี้เป็นคุณสมบัติอันหนึ่งของการรู้ลมหายใจ ปัสสัตทกายสังขารตาคือมีกายสังขารอันระับคือกายสังขารคืออะไรกายสังขารคือกายใหญ่นี่และก็ลมหายใจทั้งหมดทั้งลมเข้าลมออกลมหยาบลมละเอียดลมในลมนอกทั้งหมดถือเป็นกายสังขารระับคือสามารถที่จะมีดวงของผู้รู้ทรงตัวอยู่ โดยไม่สะแสวงหากายสังขารโดยไม่ต้องเะแสวงหาลมหายใจโดยไม่ต้องไปมีเจิตนามุ่งหามันอยู่ไหนมันอยู่ไหนไม่ต้องไปสาแสวงหามันมันสามารถทรงตัวอยู่อย่างนั้นได้ไม่เดือดร้อนเพราะกายมันไม่เอาลมหายใจเพราะกายไม่ต้องการลมหายใจลมหายใจจึงไม่เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกเวลาเราจะตายก็จะเป็นอย่างนั้นเวลาจะตายตัวปรุงแต่งกายไม่มีใช่ไหมตัวปรุงแต่งกายไม่มีหมายความว่าลมหายใจมันไม่มี แต่จิตผู้รู้ไม่มีเพราะนั้นความหลงเข้าไปในชีวิตเพื่อความไม่อยากตายเกิดขึ้นจึงทุกข์ก่อนตายแต่ถ้ามีจิตผู้รู้ฝึกฝนมาอย่างดีเมื่อถึงคราวเวลาที่มันจะต้องตายกายมันจะไม่เอาลมหายใจเพราะไม่รู้จะเอาไปทําไมมันก็ไม่หายใจไงในระหว่างนั้นกายจะค่อยๆแตกค่อยๆแตกค่อยๆแตกตัวผู้รู้ยังอยู่ก็ไม่เดือดร้อนกับการที่กายมันจะแตกไป อย่างนี้สิของจริงต้องแน่วแน่ต้องอย่างนี้อันนี้เรียกว่าปัตสัทธกายะสังขารตาสามารถทรงตัวอยู่ได้ทางกายสังขาระนะครับนี่เรื่องของของของลมหายใจสุวิมุตตะจิตตตามีจิตหลุดพ้นด้วยดีแล้วสุวิมุตตะปัญญาต า, ามีปัญญารู้เห็นถึงความหลุดพ้นด้วยดีแล้ว อันนี้เป็นเส้นทางเป็นลักษณะสภาพธรรมที่ปรากฏจากการฝึกฝนจิตผู้รู้ทั้งหมดคือจะเป็นในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ดีเมื่อมีจิตผู้รู้ที่มีกาลังของสติสัมปชัญญะถึงระดับขนาดหนึ่งแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดทุกคนทุกคนที่ทาหน้าที่รู้ลมหายใจอยู่นี้จะเข้าสู่ฐานความเป็นจริงข้อนี้ทั้งหมด ถ้าความเร่าร้อนเนี่ย mm hmm. นะว่าค mm hmm. ตตินโนวิโสกัสสะวิปมุตต ส, สักสัปปะทิสัพพะกันทัพังีนัสสะปาริลาโฮนาวิชติปาริลาโฮแปลว่าความเร่าร้อนเร่าร้อนไหมใครไม่เร่าร้อน <c oughs> ความเร่าร้อนนวิชติจะไม่มี แกขัดตัดที่ดูแกผู้ที่เดินทางไกลถึงแล้วนึกถึงเวลาเราเดินทางเวลามันไม่ถึงมีการเร่งรีบใช่ไหมแล้วก็จะมีความเร่าร้อนถ้าเราเดินทางถึงแล้วเป็นไงไม่เร่าร้อนแล้วโอ้โหโล่งสบายแล้วฝนจะตกแดดจะออกอะไรจะว่าไปเราเดินถึงแล้วนี่ใช่ไหมลักษณะนั้นคือความเร่าร้อน คาตัดธโดแขกผู้ที่เดินทางไกลถึงแล้ววิโสกัสสะผู้ที่มีความโศกบีบคั้นใจไม่ได้ถ้าความโศกยังบีบคั้นใจได้เราร้อนอยู่ไหมเราร้อนความโศกบีบคั้นใจไม่ได้ก็ไม่เร่าร้อนวิปปมุตตสสะสัปปิผู้อผู้พ้นจากการปรุงแต่งของอารมณ์ทั้งปวง พ้จากอาการปรุงแต่งในอารมณ์ทั้งหมดเลยอารมณ์ทั้งหมดจะก็เสภาพจิต จ, จะพ้นจากการปรุงแต่งของอารมณ์ทั้งหมดมันจะทําให้ความร่าร้อนอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้เพราะมันจะปรุงแต่งปั๊บส่งจิตเข้าไปสู่ลมหายใจตัวรู้ที่ตรงสู่โผล่ับอารมณ์ที่เป็นลมหายใจนั้นมันไม่มีอะไรปรุงแต่งเพราะมันหยุดความพอใจและความไม่พอใจถูกปะรู้ตรงต่อลมตัวรู้ตัวนั้น ไม่มีตระหามานาทิถิเป็นอนิสิตะมันหยุดจากการปรุงแต่งทั้งหมดเลยในขณะที่เขารู้ตรงท่ออารมหายใจเวลามันปรุงแต่งนั้นมันออกออกใช่ไหมเวลามันรู้ตรงต่ออมหายใจนี่มันไม่มีการปรุงแต่งวิปมุตตสาสภุโตสัพธิคือแก่ผู้ที่พ้นจากการปรุงแต่งในอารมณ์ทั้งหมดสัพพะันทับปัญีนัสะแล้วก็ความร้อนจะไม่มีแก่ผู้ ละวางเครื่องร้อยรัดทั้งหมดอันนี้ก็เหมือนกันในขณะที่รู้ตรงต่อผูัถภารมตัวรู้ตัวนั้นทรงตัวอยู่โดยปัจจุบันขณะจะมีเครื่องร้อยรัดอันใดอยู่ไหมเมื่อไม่มีเครื่องร้อยรัดอันใดอยู่ความเพียรที่ทำไปอย่างต่อเนื่องมันเกิดอาตาปีสัมปชัโนสติมาอาตาปีคือมันจะแผดเผา ไอ้สิ่งที่นอนเนื่องอยู่ในข้างในสัมปชาโนจะตื่นรู้ขึ้นมาทำให้ตัณหามาณาทิฏฐิไม่มีบทบาทอยู่ในรู้นั้นได้สติมาแล้วก็มีสติวินยะโลเกอพิชาโทมนัสสังหยุดความเอ็นเอียงของจิตไม่ว่าไม่หยุดการรักหยุดการจังที่ว่าถอนความโทมนัส ความยินดีและความไม่ยินดีออกไปจากโลกได้ก็ในขณะที่เรารู้ลมหายใจสังเกตที่ไม่มีนิวรณ์เข้าไปแทรกแซงไม่มีความคิดใดเข้าไปแทรกแซงที่รู้ลมอยู่นั้นรู้ตัวนั้นเป็นแบบนี้รู้ตัวนั้นเป็นแบบนี้ ส, สัพพะคันทัพสัพะพะแปลว่าทั้งปวงคันทัพแปลว่าเครื่องรัดดึงปางีณะแปลว่าละ สัพพะคันทับปางีนสัสสะเนี่ยผู้ถึงละเครื่องรัดดึงทั้งปวงได้อันนี้เรียกว่าปริลาโห์นวิชติความเร่าร้อนจะไม่มีไห้ถามว่าความเร่งรีบถือว่าเร่าร้อนไหมฮะก็ดูมันเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมเราเร่าร้อนไหม ความเป็นเราก็ดูว่าเรานั้นเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมถ้าเราที่เป็นธรรมมันจะไม่เร้อนเพราะการรู้ลมหายใจเป็นทางการปฏิบัติตามธรรมชาติที่มีอยู่จริงเดินตามสายของวิ ช, ชานี่คือหลักการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ แล้วคนจะเปิดเผยไว้ในโลกสําหรับให้ผู้ที่จะดําเนินตามธรรมชาติสายที่เป็นนิโรธวารนั้นประสงค์ประสงค์งที่จะเดินไม่ใช่เรื่องศาสนามันเป็นกฎธรรมชาติที่มีอยู่จริงไม่ใช่เรื่องของมโนกติไม่ใช่เรื่องของความยกเบกไม่ใช่เรื่องของการบัญญัติ เพียงแต่ ว, ว่าคนคนหนึ่งสละตนเองเข้าไปศึกษาค้นคว้าจนกระทั่งพบความเป็นจริงตามธรรมชาติในเรื่องนี้และนำมาสอนแล้วมีผู้ปฏิบัติสืบทอดได้ผลตอบรับสนองมาจนมาเป็นบัดนี้และถูกอโปรโกขึ้นมาว่าเป็นพุทธาศาสนาแต่ในบริบทของความเป็นาศาสนานั้นมันจะไม่เหมือนกับาศาสนาใดในโลกเพราะเราไม่มีผู้เป็นใหญ่เราไม่มีผู้วิเศษเราไม่มีผู้อัศจรรย์ เพราะเราว่ากันด้วยสองเรื่องคือวิริยะวาตีกับกรรมวาตีคือว่าด้วยการกระทำว่าด้วยความเพียรเท่านั้นไม่ว่ากันด้วยความสำเร็จอันเกิดจากเหตุปัจจัยอื่นใดไม่ว่ากันด้วยเทพเจ้าไม่ว่าด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่ากันเป็นวิริยะวาตีกับกิริยะวาที หรือกรรมวัตถกิริยาวัตีคือว่าด้วยการกระทํากรรมวัตถีคือว่าด้วยของเรื่องของกรรมกิริยะวัตีว่าด้วยเรื่องของความภาคเพียรพยายามไม่มีเรื่องอืดเนี่ยฝากกันไว้